แล้วก็มิจฉาสังกัปปะเนี่ยนะอกุศลวิตกแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีในใจ น, นะกำจัดมิจฉาสังกัปปะเหล่านั้นได้หมดสิน้นมิจฉาวาจาเนี่ยนะคำพูดพูดผิดพูดพลาดที่ต้องให้คนอื่นมาตามรักษาไม่มีวันก่อนนะพระพุทธเจ้าแกล้งด่าคนอื่นด้วยโทรศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราช่วยช่วยกันปิดหน่อยนะอย่างเงี้ยไม่มีพระพระองค์ไม่มีความชั่วในคําพูดแม้แต่นิดเดียว หรือมิตรจคำหรือพระองค์เนี่ยแอบไปทําชั่วเขาบอกว่าคนที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเวลาจะทําชั่วนี่แอบทำเนี่ยนะพอแอบทำปับ๊บต้องให้คนสนิทช่วยปิดความลับหน่อยอย่าแพร่งพลายนะเดี๋ยวรู้ถึงโน่นถึงนี่เป็นต้นเนี่ยนะก็ซึ่งเราได้ข่าวมาว่าคนที่เป็นใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าเป็นใหญ่โดยยศโดยลาบโดยตําแหน่งเป็นต้นเวลาทําชั่วก็แอบไปทําชั่วเนี่ยนะ กลัวบางคนจะรู้ก็ต้องไปแอบแอบทำแล้วก็บอกว่าช่วยชวยปิดเป็นความลับหน่อยนะพระพุทธเจ้าไม่มีเนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกว่าเปิดเผย อ, อยู่เสมอพระองค์ไม่มีมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะหรือมิจฉาอาชีวะอาชีพ ว, วิบัติแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่มีในพระองค์เนี่ยนะแล้วพระองค์เป็นผู้ที่เพียรอยู่เสมอเป็นผู้ที่อะไรนะไม่ขั้นครา่เนี่ยนะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั้นคลา่ นะปราศจากความคลั่นคร้ามมีแต่ความกล้าเรียกเรียกพระมหาวีรเจ้าเนี่ยนะพระองค์ผู้กล้วกล้าแล้วก็พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะนะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมไม่ลุ่มหลงเรามีสติสัมปชัญญะบอกไม่ใช่แค่เป็นตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรอกแม้แต่ตอนที่มีสติสัมปชัญญะจุติจาก ดุสิตมีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่ในคันมีสติสัมปชัญญะประสูตรจากคันมีสติสัมปชัญญะดำรงอยู่ในคารวาตวิสัยแล้วก็มีสติสัมปชัญญใะในการปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งมีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ภัยบูรแลบริบูรณ อันพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มั่นคงเนี่ยนะใจของพระไม่มีใจใดที่จะมั่นคงเช่นกับใจของพระพุทธเจ้าอีกแล้วเนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นใจที่มั่นคงที่สุดเพราะอะไรเพราะกําจัดมิจฉามรรคออกไปเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะกำจัดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเนี่ยนะหรือว่าตัณหา ตันหาที่เป็นเหตุให้เกิดการแสวงหาตันหาเป็นมูลเก้าเนี่ยนะตันหาเป็นเหตุให้เกิดการแสวงหาแสวงหาทําให้เกิดการได้เป็นต้นไม่มีเพราะพระองค์ตัดตันหาที่แสวงหากรามตัดตันหาที่แสวงหาภพตัดตันหาที่แสวงหาพรหมจันทร์เป็นต้นตัดได้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะทันหาจึงไม่เป็นมูลของพระพุทธเจ้าเพราะขุดรากของตันหาคืออวิชชาได้เสร็จสิ้นแล้ว แล้วก็มิชตะสิบทั้งหลายมิจฉาทิธิจนจนถึงมิชายานะมิจชาวิมุติเนี่ยนะมิชตะสิบพระองค์ก็ชำระได้เสร็จสิน้นพันอุปกิเลสสิหกหรืออกุศลเราทำเราไดอื่นๆที่ชั่วช้าเลวร้ายที่เป็นที่ตั้งแห่งการตําหนิติเตียนเป็นที่ตั้งแห่งคำตำหนิของบัณฑิตทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าละกําจัดได้สําเร็จเสร็จสิ้นหมดแล้วพระองค์ก็เลยชื่อว่าเป็น พระอาหารหันต์เพราะกำจัดเนี่ยนะกำจัดบาปอากุศลธรรมได้ทุกอย่างทุกประเภทเนี่ยนะมันพระอรหันต์เน้นประกาศถึงว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะซึ่งต่างจากสัตว์นะตทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใกล้ต่อกิเลสพระอาหารหันต์คือพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะไกลาจากกิเลสแล้วก็ไกลแสนไกลไกลมากเลยแหละซึ่งถ้าเราดูคนที่อยู่ใกล้กิเลสเนี่ยเป็นยังไงนะ บางคนนี่อยู่ใกใล้ปาณาติบาตแปลว่าพร้อมที่จะฆ่าแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่มีเหตุผลใดทำให้พระองค์ฆ่านะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพร้อมที่จะทำอาถินนาทานพร้อมที่จะคดพร้อมที่จะโกงพร้อมที่จะลักพร้อมที่จะขโมยพร้อมที่จะทำทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าไม่มีเหตุผลใดที่พระองค์ต้องทาทุจริตหรือประพฤติผิดในการมทั้งหลายเนี่ยนะ จำนวนสัตว์มิใช่น้อยพร้อมที่จะประพฤติผิดในกามทั้งหลายถ้าประสบช่องและโอกาสแต่ของพระองค์ไม่มีเป็นอย่างนั้นเลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพร้อมที่จะมูสาวาตโดยที่สุดพูดเพื่อหัวเราะกันเล่นเนี่ยนะพูดขำๆสนุกๆเนี่ยนะแต่พระพุทธเจ้าไม่มีมุสาแม้แต่นิดเดียวพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณเช่นนั้นพระองค์จะมูสาไปทําไมไม่มีเหตุเหล่าใดตัดใจเหล่าใดที่ทําให้พระองค์ถึง ความเป็นผู้ที่มูสาหรือพูดเท็จเนี่ยนะไม่มีเลยไม่มีกิเลสเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าพูดให้คนเนี่ยแตกแยกกันนะสร้างความร้าวรานสร้างแตกแยกความสามัคคีที่มีต่อเหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ไม่แตะทาลายความสามัคคีในหมู่สัตว์ทั้งหลายเลยนะพระองค์เนี่ยไม่มีปิสุนาวาจาไม่มีการส่อเสียดหรือพูดด้วย โทสะเป็นมูลเป็นรากเง่าที่เรียกว่าพระสวัสดิ์พูดด้วยอำนาจโทสะเป็นสมุทฐานคําของพระผูธเจ้าไม่มีหลุดด้วยอำนาจโทสะแม้แต่คําเดียวเพราะพระองค์กำจัดรากคือโทสะในโลกนี้ไม่มีใครพูดมากเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยคํานะที่แป่งมาทวาเรียนพระพุทธเจ้าตรัสมากที่สุดคําทุกคําที่พระผูธเจ้าตรัสไม่มีราคะเป็นสมุทฐานไม่มีโทสะเป็นสมุทฐานไม่มีโมหะเป็น สมุทฐานเนี่ยนะไม่มีคำพูดใดที่พูดด้วยอำนาจความพลังความเผลอเผลอเรอที่เรียกว่าเพอร์เจอร์เป็นต้นไม่มีเลยแม้แต่คำเดียวทุกคำของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์หมดซึ่งต่างจากสัตว์ทั้งหลายบางทีฟัง่ครึ่งวันนะั้นมีประโยชน์นิดเดียว าบางทีแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยวันทั้งวันเนี่ยนะพูดเสร็จแล้วก็เดือดร้อนใจลาบากใจแต่ของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นถ้อยคำใดที่ไรประโยชน์ถ้อยคำใดที่ไม่มีประโยชน์ถ้อยคำเหล่านั้นไม่มีสำหรับพระพุทธเจ้าทุกคำที่พระองค์ตรัสทุกคำเหล่านั้นล้วนแต่มีประโยชน์สามารถบำบัดขจัดราคะโทสะและโมหะเป็นต้นไปได้พระพุทธเจ้าไม่มี เรียกว่าอภิชาเพ่งเลงเนี่แล้วน้อมสิ่งนั้นมาหาในตนมีอย่างเดียวคือโอปัญญโกพระพุทธเจ้าน้อมมักผลน้อมเพื่อจะเข้าพร ะ, ะสมาบัติน้อมที่จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ภพสามกาเนิดสี่ขันอายตนะธาตุเนี่ยนะสังคตะธรรมทั้งหลายที่พระองค์น้อมมาด้วยอํานาจอภิชาด้คือฉันทราคะไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวเรียกว่าจงดูผู้บริสุทธิ์เรียกว่าพระผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะ หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีไม่ไม่ใช่เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายพร้อมที่จะโกรธเนี่ยนะพร้อมที่จะไม่พอใจพร้อมที่จะหงุดหงิดพร้อมที่จะลําบากใจพร้อมที่จะอึดอัดเนี่ยนะพร้อมที่จะมีโทสะว่างั้นแต่พร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะผูกโกรธพร้อมที่จะลบหลู่ตีเสมอพร้อมที่จะริษยามัจฉริยะพร้อมที่จะเกิดความฟุ้งฟานความราคาญใจเดือดร้อนใจพล่านด้วยอํานาจโทสะ หมายคําว่าใจของสัตว์ทั้งหลายพร้อมที่จะเดือดเหมือนน้าต้มอ่ะนะเหมือนน้ำเดือดอ่ะนะเหมือนน้ำร้อนอ่ะพร้อมที่จะเดือดแบบนั้นแต่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เยือกเย็นนะนะเกิด ว, วัดดำรงอยู่ในสภาวะของผู้ที่สงบเยือกเย็นเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้เยือกเย็นประดุดห่วงน้ำเขาบอกว่าน้ําทะเลที่ลึก 84%,00 มโยชเหมอนกันลึกแป0 0มื่นสี่พันโยธชั้นล่างเนี่ยนะสี่หมื่นโยธชั้นบนอีกสี่0มื่นโยธ เขาบอกว่ามันไม่สงบเยือกเย็นจริงๆแต่ไอาช่วงตรงกลางเนี่ยตรงกลางระหว่าง 4,000 โยชต์ตรงนั้นอ่ะสงบเยือกเย็นอย่างแท้จริงเขาบอกว่าไอาช่วง 40,000 โยต์ข้างบนเนี่ยวันวายด้วยอํานาจลมด้วยอํานาจลมอ า, อามอชั้นล่างๆไปวันวายด้วยอํานาจปลาและเต่าเป็นต้นแต่ช่วงกลางเนี่ยเย็นสงบนิ่งฉันใดใจของพระพุทธเจ้าก็สงบแล้วก็เยือกเย็นฉันนั้น แต่ก็ไม่ได้กลายเป็นใจน้ําแข็งเนี่ยนะไรอะไรนะเย็นชาจืดเสนิทไร้สภาพไหมใช่อย่างนั้นเนี่ยนะแต่ตรงกันข้ามพระองค์เนี่ยแผ่มากไปด้วยเมตตาเป็นต้นเนะนี่ยนะเพระองค์เนี่ยอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะหวังแต่ประโยชน์หวังแต่ความเกือ้อกูลเนี่ยนะหวังแต่ความถ้าอย่างแบบพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะถ้าจะเปรียบเทียบก็พอจะเห็นได้ว่าธรรมดาพ่อแม่ทั้งหลายที่รักลูกสุดหัวใจเนี่ยนะพ่อแม่ทั้งหลายหวังแต่ประโยชน์เกือ้อกูลฉันใด พระพุทธเจ้าก็มีใจฉันนั้นหวังแต่ประโยชน์เพื่อกูนต่อสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นหรือเหมือนอย่างว่าพ่อแม่ที่มีลูกน้อยคนเดียวเนี่ยนะป่วยไม่สบายหวังแต่จะเปลื้องทุกแห่งลูกฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนการมองเห็นสัพสัตทั้งหลายเป็นบุตรเช่นกับบุตรของพระองค์ที่น้อมไปเพื่อที่จะเปลื้องให้เขาพ้นทุกข์ใจของพระองค์เนี่ยเย็นบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ว่าเจืดชืดเนี่ยนะ แต่ว่าดํารงอยู่ด้วยเมตตาและกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งเมตตากรุณาด้วยอานาจเมตตาพระองค์จึงน้อมน้อมมาทำฉนยัยสัตว์ทั้งหลายจะมีสรรนะน้อมไปว่าทำฉนยัยสัตว์ทั้งหลายจะมีศีลทําน้อมไปว่าทำฉนยัยสัตว์ทั้งหลายจะดํารงอยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาน้อมโสดาปฏิมัติโสดาปฏิพนสกทาคามิมัต สก่าคามิผลอนาคามามีมัชอนาคามิผลอรหัตตมัชอรหัตตผลน้อมเข้าไปในใจของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์เหล่าใดคู่ควรที่จะได้รับมัชผลใจของพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในสภาพเหล่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าน้อมเมตตาของพระองค์นี่มากจริงๆพระองค์มองเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เล็กน้อยพระองค์ก็มีใจกรุณาหวังที่จะเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ว่างั้นนะอ่าเขาบอกว่ายาว่าแบบ ความทุกข์หยาบๆแบบที่เราเห็นเลยแม้แต่ความทุกข์ของพรหมทั้งหลายคือดำรงอยู่ในสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็น้อมให้บุคคลพ้นจากทุกข์อันนั้นทุกพรหมโลกในสายตาพระพุทธเจ้าก็ยังเรียกว่าทุกข์อยู่นะในสายตาพระพุทธเจ้ามองว่าพรหมโลกก็ยังทุกข์อยู่อันนะั้นคือความที่พระองค์นี่เข้าถึงสุขที่สูงสุดเนี่ยนะพระองค์ก็เลยมองว่าน้อมสัตว์แม้กระทั่งน้อมพรหมให้พ้นทุกข์ มันเทวดานี่เดือดร้อนกับพรหมไม่รู้กี่ล้านเท่าน้อมเทวดาให้พ้นทุกเทวดากับมนุษย์ใครทุกกว่ากันมนุษย์เนี่ยมทุกกว่าเยอะเปรียบกันไม่ติดเนี่ยนะเขบอกว่าพระองค์น้อมให้มนุษย์ทั้งหลายพ้นจากทุกจําไม่ต้องพูดถึงว่าอบายภูมิทั้งหลายเนี่ยนะเพราะพระองค์นี่ต้องการช่วยให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากอบายภูมิแต่ถ้าผู้ที่ตกไปอบายภูมิแล้วมันช่วยยากแต่ก็ช่วยได้บ้าง แต่ช่วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ให้ตกไปสู่อาบายภูมิอันนี้พอจะช่วยได้พระองค์ก็น้อมไปที่จะช่วยสิ่งที่มะนทำให้เขาไม่ตกไปสู่อาบายภูมิเลยไม่ตกไปสู่อาบายเลยก็คืออะไรพระองค์ให้เขามีสาระมีศีลนี่นให้มีสาระมีศีลพระองค์น้อมไปให้เขามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยให้พรหมวิหารเขาจะได้พ้นจากกรมมาพบและพระองค์ก็ให้อริยวิหารเขาจะได้พ้นจาก วัตตะโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเระงั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีแต่ให้ด้วยอํานาจของเมตตาหวังที่จะช่วยให้สัตว์พ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอย่าว่าหรือเหลือบยุงลมแดดที่จะให้สัมผัสกับสัตว์ทั้งหลายเลยแม้แต่ทุกข์ในสังขารธรรมเล็กน้อยพระองค์ก็ไม่ประสงค์เนี่ยนะพระองค์น้อมไปให้สัตว์ได้ถึงความพ้นทุกข์อย่างเดียวเพราะนั้นพระองค์จึงจึงเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความ บริสุทธิ์ใจแต่ความบริสุทธิ์ใจของพระองค์นี้อยู่บนพื้นฐานของเมตตาและกรุณาเนี่ยนะเมตตาและกรุณานี่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์จึงไกลาจากบาปไกลาจากอาสุกอกุศลและก็ไกลาจากกิเลสทั้งปวงโดยประการทั้งปวงและที่สําคัญเนี่ยนะถ้าพูดถึงสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปพร้อมที่จะฟุ้งซ่านใช่ไหมพร้อมที่จะพลานทางความคิดแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมั่นคงอยู่เสมอเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความมั่นคงอยู่เสมอ ท่านบอกว่าธรรมดาภูเขาหินแท่งทึบไม่วันไหวในเพราะลมที่มาจากทิศทั้งสี่ชั้นใดใจของพาหันทั้งหลายโดยเฉพาะใจของพระพุทธเจ้าก็มีแต่ความมั่นคงตั้งมั่นไม่วันไหวฉะนั้นเหมือนกันทั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่ไกลาจาก กิเลสไกลจากราคะโทสะโมหะไกลจากความโกรธความผูกโกรธความริษยาความตรนีมายาสาไทยอันนะเป็นคนเจ้าเล่ยเล่นลิ้นกลับกรอกปากลากล้าเป็นต้นไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าแม้แต่นิดเดียวซึ่งต่างจากปุตชนคนอยู่ใกล้กิเลสเนี่ยนะพร้อมที่จะประทุออกมาเป็นราคะพร้อมที่จะประทุเป็นโทสะพร้อมที่จะประทุออกมาเป็นโมหะมันคนมีกิเลสเนี่ยเรียกว่าวัตถุอันตรายมากๆเลยนะ อันตรายไม่อันตรายก็ลองนั่งคุยกับตัวเองดูสิเนี่ยนโอ้ยเด็กคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันอันตรายเดี๋ยวราคะก็เป็นอันตรายโทสะก็เป็นอันตรายโมหะก็พาอันตรายความคิดนี่แหละอู้อันตรายแท้เนี่ยนะพาคิดในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยแต่พระพุทธเจ้าตรงกันข้ามหมดเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันคนละด้านเลยคนละฝากคนละฝั่งเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าเปรียบกันไม่ติดปุถุชนทั้งหลายก็เหมือนน้ํา คุณคลักที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคสารพัดชนิดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับแบบน้ําที่กรองไสสะอาดเย็นสนิทปราศจากเชื้อโรคและเป็นน้ําที่มีคุณค่าเนี่ยนะเช่นกับยาทิพย์เหมือนกับน้ําทิพย์ที่เรียกว่าดื่มแล้วปราศจากทุกโศกโรคภัยตรงกันข้ามเช่นั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเวลาคิดถึงปุตุชนคนกีนมีกิเลส ด, ด้วยกันเนี่ยมันขุนข้นดําคลักทันทีเลย แต่คิดถึงพระพุทธเจ้านะค่อยๆกรองขึ้นกรองขึ้นแล้วใสขึ้นใสขึ้นมันใครอยากสบายใจนะคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆแล้วจะสบายใจเนี่ยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยแต่ใครที่คิดถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยก็นับว่าเก่งนะก็ถือว่ามีบุญมีสติมีปัญญาที่แยกออกว่าคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีประโยชน์กว่าคิดถึงอย่างอื่นทั้งหมดบางคนก็อธิบายบอกแม้มัวแต่คิดถึงพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเนี่ยนะแล้วมันมีเวลาทํามาหาเลี้ยงชีพหรือเนี่ยนะ คนที่เจริญพุทธคุณอย่างสมบูรณ์จริงๆเนี่ยนะระดับหนึ่งไปแล้วมีเห็นอะไรมั่งนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้อย่างน้อยเห็นคนชั่วก็ต้องนึกถึงคนดีมั่งละมั่งใช่ไหมมองเห็นคนมีราคะก็บอกพระพุทธเจ้ากําจัดราคะได้แล้วมองเห็นคนโทสะคนมีโทสะพระพุทธเจ้าสิ้นโทสะแล้วเห็นคนมีโมหะโง่เขลาหลงมงมงายมองในสิ่งที่มันตรงกันข้ามคือ พระพุทธเจ้าตรงกันข้ามกับสัตว์เหล่านั้นโดยประการทั้งปวง